ขอร้อมน้อมสรคุณพรณะรัตนตรัยขอกายเพื่อนสารีผู้ท่านจเจริญธรรมม่ทีและญาติที่ทำทุกท่านนั่งสบายๆเนา ะ, ะสำหรับกลุ่ม40วันไปประธรรมเข้มก็วันนี้ก็วันที่7แล้วเนาะส่วนกลุ่มวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น ครันที่สี่นะวันนี้ก็จะเดินทางกลับกลับกันแล้วปฏบัติธรรมกันมาก็นานพอสมควรแลนะเนาะก็กลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะวิธีการปฏบัติธรรมนี้ง่ายๆถ้าเราจับหลักได้คือให้รู้กายรู้ใจเนาะรู้กายรู้ใจอรู้อย่างไรก็คือกลับมารู้ว่าขณะนี้กายกายเป็นอย่างไรบ้างเนาะ กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนะรู้นะในปัจบ mmm, ัน bueno, นี่นั่นเองอเรานั่งก็กลับมารู้นะกลับมารู้สึกตัวะกลับมารู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เนาะเราเดินก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่นะเรานอนก็รู้ว่าขณะนี้กำลังนอนนะอเรายืนก็กลับมารู้ขณะนี้กำลังยืนเนาะ เป็นการกลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่นั่นเองะหรือเรายกมือสร้างจังหวะก็กลับมารู้อกลับมารู้สึกตัวขณะนี้กําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่ะหรือขณะนี้กําลังพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายก็กลับมารู้สึกตัวในขณะนี้กําลังพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายอยู่นอขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวขณะนี้กําลังมีความคิดเกิดขึ้นเนะ ขณะนี้กำลังไม่พอใจก็กล so fe so ับมารู้ว่าขณะนี okay. ้กำลังไม่พอใจนะขณะนี้กาลังโกรธก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังโกรธขณะนี้กาลังรักก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังรักนะขณะนี้กำลังโลภก็กาลังโลภก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังโลภนะมีอะไรก็กลับมาเท่านั้นเองนะกลับมารู้นะขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจเราเท่านั้นเองนะ วิธีการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องที่ว่าไม่ยากเลยอะเพราะว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา อ, อยู่กับตัวเราเองอยู่แล้วนะเราไม่จะ้ไปค้นหาที่อื่น <c oughs> วิชาการต่างๆในโลกยังมากกวา่ายังยากกว่ากันมากมายเนาะกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีใช้เวลาถึงสิบกว่าปีเนาะแล้วมันเรียนแล้วมันจริงๆมันก็ลืมหายหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดกาลหรอกเนาะ แต่การที่เรากลับมารู้สึกตัวกลับมหมีครั้งหนึ่งให้ได้ไหมเนะี่ตรงนี้มันมีประโยชน์กับจิตวิญญาณของเรามากเลยนะอย่างที่ว่าแล้วว่าพุทธาสนาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราย่อยให้มันเหลืออ่าย่อลงนะมันจะเหลือแค่สองอย่างเท่านั้นเองก็คือให้เห็นความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นนะอันนี้มันแค่นี้เท่านั้นเองมไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้อ่านะถ้าเราจับประเด็นในพุทธานามันก็ไม่ยากใช่ไหม <c oughs> จับให้ถูกต้องมันก็ไม่ยาก <c oughs> เพราะฉนั้นอผู้ที่มาปฏิบธรรมเนี่ยต้องดูว่าเรามาปฏิบติเพื่ออะไระช่ไหมถ้าบปบัติเพื่อเหตุอย่างอื่นนะมันไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปปฏบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องถูกต้องร้อยเปเซ็นตะ์หนทางเนี่ยว่าเราไปปฏบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วเนี่ยมันมีมันมีเป้าหมายให้เราเดินนะแต่ถ้าคนตั้งเป้าหมายผิดมันก็จะผิดไปนะ บางบางบงบางแห่งหรือบางบางวิธีก็ปฏิบัตเพื่อให้เห็นนิมิตเห็นนิมิตบ้างเห็นสิ่งที่พอใจบ้างนะหรือว่าเกิดอาการต่างๆในใจนะที่มันอาจจะไม่ถูกต้องใช่หอหกลายเป็นไปติดในสภาวะธรรมต่างๆอันนั้นมันไม่จะทางพ้นทุกเนาะ แต่ว่าการที่เราตั้งใจบัตรเพื่อความพ้นทุกนี่แหละมันถูกต้องแล้วนะมันจะรู้ว่าเออเราไปบัตรแล้วความทุกข์มันลดลงไปไหมหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันเท่าเก่าเนาะตรงนี้มันสามารถที่สังเกตเราได้นะครั้นี้เราไปบัตรเพื่อความพ้นทุกแล้วเนี่ยหนทางนี้นะมันก็คือการเจริญสติปัญฐานสี่นั่นเองกลับมารู้อาการในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปรู้อะไรเลยนะไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตเพราะอดีตและอนาคตนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ของปลอมนะ เป็นอยู่ในแค่ความคิดเราเองอดีตก็อยู่ในความคิดอนาคตก็อยู่ในความคิดเหมือนกันไม่ใช่ความจริงความจริงคือขณะนี้นั่นแหละที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมทางกายเราทำอะไรอยู่รู้ไหมยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมดื่มกินพูดคิดรู้ไหมทางจิตใจเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมรู้ทันไหมความโลบความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านลาคาญ ร, รู้ทันไหม เนี่ยแค่เนี่ยกลับมารู้ว่าปัจจุบันนี้คืออะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งให้ได้เนาะเพราะการปฏิบัติก็คือการกลับมานะเพราะถ้าเขาไม่กลับมาเกาก็จะไปนะไปที่ไหนไปในอารมณ์ต่างๆในตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างนะเขาจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะใจคนเรามันไวมันก็ลิงนะมันอาจจะไวยิ่งกว่าลิงอีกบางทีก็ติดรูปนะลิงลิงจระเข้อะไรทั้งหลายแหละนี่แหละ แต่จริงๆแล้วใจคนเราเนี่ยมันไวอยู่กับลิงนะลิงมันเคลื่อนไหวไม่เร็วขนาดาใจเราหรอกเห็นใจเราเนี่ยมันดิ้นตลอดเวลาเดี๋ยวคิดนูน่นคิดนี่สรารพัดเรื่องแล้วก็นำความทุกข์มาให้เราแทบทั้งนั้นใช่ไหมแต่ใจเนี่ยมันฝึกได้นะเหมือนก็ที่แ น, นนะสมัยพุทธกาลเนเนเดินไปบินบาะกับภาะารีบุตรไปเจอลางน้ำ นะก็ถามเมื่อร้างน้ําทําไมทําได้ก็เอาไม้นะมาทําต่อเป็นลางน้ําก็มาได้นะธนูนะก็เอาไม้เนะี่ยมาเหลาจะเป็นธนูได้นะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะดัดแปลงได้เนนก็มาคิดว่าทําไมใจเราดัดแปลงไม่ได้นะอกเนเนี่มีปัญญานะมาคิดว่าเออสิ่งต่างๆเช่นไม้ <c oughs> หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันคดคดง อ, งงองๆก็ยังมาเหลาให้ตรงได้ มาทำไม่เป็นประโยชน์ได้แล้วทําไมใจเราทําไม่ได้เน้นเน้นแค่คิดว่าใจเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงได้แก้ไขได้เน้นก็พยายามแก้ไขดัดแปลงแล้วก็ในสุดบินาบาทยังไม่ไม่ไม่ไม่หมดหนทางเลยก็กลับมาขอปแบบทำต่อนะในสุดเน้นก็บรรลุเป็นพระรหันต์นะเนี่ยเพราะว่าเขาเพราะว่าเน้นเนี่ยท่านเข้าใจว่าดดัจิตใจเราเนี่ยสามารถแก้ไขได้เนาะเพราะคนเราเนี่ยมันไม่ได้ไปแก้ไขที่ไหนนะมันมาแก้ไขที่ใจเรานี่แหละ ใช่ไหมใจเรามันดิ้นรนตลอดเวลานะยิงวันลิงมันไวนะใจมันไวมันก็เรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันไวมากนะมันบางทีคิดปุ๊บกลับบ้านละคิดไปไปหาคนโู้นละอ่าคิดปั๊บไปเที่ยวแล้วนะนะมันไวแต่ว่าสิ่งที่ไวกว่าจิตมันก็มีนะคือสตินี่แหละมันไวกว่าเพราะถ้ามันไม่ไวกว่าเราก็รู้ไม่ทันความคิดรู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆหรอก ตรงนี้ว่าสติเนี่ยมันเป็นสุดยอดนะมันมันเป็นมันเป็นใหญ่นะอนะ่ครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบ ว, ว่าในรอยเท้าช้างเนี่ยรอยเท้าช้างนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะของสัตวส <c oughs> ัตบุคคลนี่แหละเพราะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถรวมลงไปในลอยเท้าช้างได้ฉันใดอา่าทําทุกชนิดก็มีสติเป็นใหญ่นะรวมลงไปในสติได้ฉันนั้นนะเมื่อมีสติแล้วเราก็จะมี อ่ามีสติแล้วเนี่ยมันต้องมีศีลตามมาแน่นอนนะมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นตามมาแน่นอนแล้วก็มีปัญญาตามมาอย่างแน่นอนนะสิ่งเหล่าเนี้ยมันหลีกในพ้นนะเพราะการเจริญสตินี่จึงเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเรานะความพ้นทุกข์ได้มันก็อยู่ที่สตินี่แหละเพราะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆแล้วอารมณ์ก็จะเหนือใจเราไม่ได้เลยนะอารมณ์ต่างๆนี้นะเมื่อก่อนเราจะเป็นคนอาจจะเป็นคนโกรธง่ายนะใครมานินทาเรามาว่าเร า, ม า, า, เรามาด่าเราเราก็โกรธแล้ว นะอันนี้คือเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนที่เราไม่มีสตินะแต่ตอนนี้ถ้าเรามีสติแล้วนะมีพอสมควรไม่ต้องมีร้อยเปอร์เซ็นตหรอกเราก็สามารถสังเกตความคิดได้นะการที่เราสังเกตความคิดนั่นแหละอันนี้คือต้นทางนะอันนี้หลวงพ่อเทียนบอกเอาไว้เลยอผู้ใดที่เห็นจิตไปคิดพูดนั้นแนหะได้ต้นทางของการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นผู้ใด <c oughs> แค่สามารถสังเกตความคิดได้นะคนนั้นก็สามารถสังเกตอารมณ์ได้เหมือนกันนะ อารมมันก็คือความคิดนั่นเองเป็นความคิดที่มันไปปรุงแต่งต่อนะอยงที่เราตาเห็นรูปปั๊บเนี่ยความคิดก็จะเกิดขึ้นละนะรูปมันสวยนะรูปมันน่าเกียดหลังนั้นก็จะปรุงแต่งต่อเป็นมันสวยแล้วก็ชอบมัน เ, เกิดความรัก เ, เกิดความดีใจเกิดความอยากได้อันเนี้ยไปปรุงแต่งต่อเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานเะนาะความเกลียดกัเหมือนกันก็ไปปรุงแต่งต่อในทางลบนะคราวนี้พอเรารู้ทันปุ๊บมันก็เลยหยุดการปรุงแต่งได้ <c oughs> หยุดการปรุงแต่งได้นะ <c oughs> มันก็ <c oughs> อาจจะมีเวทนาบ้างนะอาจจะมีความอยากได้บ้างแต่มันมันอุปทานมันลดลงอุปทานคือการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมันลดลงนะอุปทานนี่แหละมันมันเป็นเหตุให้เกิดการก่อพบก่อชาตินะ้อเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วจะรู้ว่าเออสติเนมันระงับการก่อภพก่อชาติได้อย่างดียิ่งนะอย่างที่ว่าในอในปฏิจจสมุปบาทนั่นก็มีว่า อวิชชาเป็นปัจจัยออวิชชาเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดอ่าอวิชชาเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยเกิด Britney, นามรูปนามรูปเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดสลายญาณะคืออตาปู่จมินกายใจ ส, สลายญาณะเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นเช่นตาเห็นรูปนะผัสสะเป็นปัจจัย ใ, ให้เกิดเวทนาคือความอาชอบใจ ความไม่ชอบใจหรือเฉยๆเนะวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความทยานอยากนะคือความอยากได้ความทยานอยาก <c oughs> ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุบทานคือการยึดติดนะการยึดมั่นถือมั่นอนะอุปทานในสิ่งเหล่านั้นนะอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพภนะพปัจจัยเกิดชาติชาติป็นัจจัยเกิดชรามรณะนะอันนี้คือสภาวะของจิตใจเรานะที่มันจะวิ่งไปตามนี้อยู่ตลอด เราก็เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่มีแสงใดเกิดขึ้นมันก็จะดําเนินไปตามอย่างเนี้เป็นประจํำครั้นี้เมื่อเรารู้ทันรู้ทันแล้วเนี่ยมันก็มีมันก็มีการที่เรียกวามันจะเริ่มจะชะลอลงนะใจมันเริ่มเห็นการปรุงแต่งของจิตแล้วเราจะรู้ทันสังขารที่มันจะปรุงแต่งต่อจากความคิดเนี่ยมันก็เป็นสังขารนะสังขารไปปรุงแต่งนะเป็นความชอบความไม่ชอบเป็นอุทานนี่เราจะเริ่มรู้ทันแล้วนะ ตัวนี้มันสําคัญมากเมือ่อวรทาเรารู้ทันแล้วอุปทานก็หมดไปน้อยลงไปมันก็ไม่เกิดปบเกิดชาติต่อเนาะไอ้ตรงนี้เราสามารถสังเกตจิตใจเราได้ไหมมันเป็นบัลล่ามันยังมีความติดความยึดอะไรมากอย่างเก่าไหมเนาะไอ้ตรงเนี้มันต้องสังเกตให้ได้เนาะ้าเราสังเกตไม่ได้มันก็ยังเป็นอย่างเก่านี่แหละก็ยังไปติดไปยึดนะการที่เราไปติดไปยึดเนะี่ยหรือความรักต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็นําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น รักใครแล้วก็ทุกข์เพราะคนนั้นยึดใครแล้วก็ทุกข์เพราะคนนั้นตรงนี้มันเป็นเหตุโดยเพราะการที่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวเองเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุที่ความทุกข์ที่ใหญ่โตตรงในนั้นเองเพราะเป็นเหตุให้เกิดกันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับพมนับชาติไม่ท้วนก็คือกระบวนการทางจิตนี่แหละเมื่อจิตมันจบกระบวนการนี้แล้วจิตเรายังมีความยึดมั่นอยู่ตราบใดนะเมื่อเราตายไปก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดนับพมนับชาติไม่ถ้วนเช่นนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็คือความทุกข์นั่นเอง ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่หน่ากลัวคือความทุกข์ในสังสารวัตรเพราะนัะ้นการบัตรธรรมนี่เราไม่ได้แค่ดับทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เนาะเป็นการดับทุกข์ในสังสารวัตรเลยเพื่อให้เขาสั้นลงให้เขาน้อยลงแล้วให้หมดไปเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนะาะเพราะงั้นการที่อบอกว่าเราไปบัตรแล้วเนี่ยเรารอุปทานได้ไหมเนี่ยตรงตรงนี้จึงเป็นความจริงนะเราละการยึดมั่นได้ไหมมีการปล่อยการวางได้ไหมละการยึดติดการที่ไม่ติดในอุปทาน ขันทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์ที่เราสวดไปแล้วนะอุปทานขันทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์คือการยึดติดอุปทานเนี่ยเป็นการปล่อยการวางเขาได้ไหมมาตรงเนี้คือประเด็นสําคัญเมื่อเราปล่อยวางได้เขาก็ไม่มีพบไม่มีชาติออกเนาะขันนี้ <c oughs> นักปฏิบัติใหม่ๆก็จะอะมีความอยากได้ในการปฏิบัตินะเราก็ปฏิบัติกันก็ อ, อยากได้สติ อ, อยากได้ความรู้สึกตัว อยากได้สมาธิอยากได้ปัญญานะอันนี้คือความอยากได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เรามีความอยากได้เราก็เลยมาปฏิบัติธรรมกันนะแต่ในที่สุดเราก็เมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็คือการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการไม่ยึนมั่นถือมนะั่นการที่เราไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรไม่ทุกๆุอย่างเนะาะครั้เนี่ยตรงเนี้ยอนะถ้าเราเพียงแค่นี้เราก็จะไปคิดเอาเออเราไปบัติเพื่อการปล่อยการว า, างการไม่ยึดติดการไม่ยึนมั่นถือมั่นมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะคือ การปล่อยด้วยความคิดมันไม่ได้ปล่อยจริงๆนะครั้นี้มันจะปล่อยจริงๆได้อย่างไรนะก็คือเราก็ต้องเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองนะมันต้องเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไป็นักตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ตัวไม่ตุตนนี่แหละตรงเนี้ยคือเมื่อเราเห็นบ่อยๆแล้วนะจิตมันก็จะเริ่มเริ่มเข้าใจจริงๆว่าเราไปทําแล้วก็เข้าไม่ได้เลยเขาแสดงพระไตรลักษณ์เราเห็นตลอดเวลานะการมาทําเนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตา เนีเมื่อเราเห็นพระไตรลักษณ์บ่อยๆแล้วจิตก็จะเข้าใจนะจิตจะเข้าใจในความจริงซึ่งเขาแสดงออกพวกเนี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะความไม่เที่ยงเขาแสดงตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อจิตเห็นพวกนี้บ่อยๆจิตก็จะเข้าใจนะเข้าใจในความไม่เที่ยงเมื่อเข้าใจในอ่าสภาวะธรรมสภาวะใดหนึ่งเช่นะความไม่เที่ยงก็ดีความทุกข์ก็ดีอนัตตก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตเขาก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัต นะหรือว่าเกิดการปล่อยการวางได้เองโดยตัวของเขานะเราไม่ต้องไปไปคิดนะไม่ต้องไปช่วยเขาคิดนะไม่ต้องไปทําทขึ้นมาเองนะอันนี้มันจะเป็นของจริงนะไม่ใช่เป็นการปล่อยการวางโดยความคิดนั้นๆมันไม่ของจริงนะจริงๆมันไม่ได้เป็นการปล่อยการวางหรอกมันก็แค่ความคิดเท่านั้นเองนะเพราะงั้นการที่เราจะเข้าถึงตรงนี้ได้นะก็คือเราให้เห็นบ่อยๆนะว่ากายและใจนะมันเป็นอย่างไรนะมันก็มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นัตา นะครา้นี้ตรงนี้เราก็ต้องเห็นอย่างไรนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือสภาวะหนึ่งก็คือการวนนะการวนหมายความว่าบางวันเราก็ปฏิบัติได้ดีนะบางวันมันก็ปฏิบัติได้ไม่ดีนะดีแล้วมันก็ไม่ดีอีกไม่ดีมันก็ดีอีกนะตรงนี้คือการวนของการปฏิบัติธรรมนะครา้นี้อถ้าเราไม่เห็นมมไตาลักเราก็จะมีความทุกข์โอ้ทำไมวันนี้เราไม่ดีนะเมื่อวานมันดีอยู่เลยนะเราก็มีความทุกข์นะ ยิงถ้าใครเคยฝึกสมาธิมาก่อนตรงนี้จะเห็นชัดเลยเมื่อวานเรานั่งสมาธินี่จิตสงบนิ่งเป็นหนึ่งเมื่อวันนี้อยากให้เหมือนเมื่อวานนี่มันมันไม่เป็นแล้วนะจิตมันปรุงซ่านทั้งวันเลยนะเนี่ยมันก็คือเขาแสดงาชัดเจนเลยนะว่าเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็จึงไม่เที่ยงนะั่นแหละเขาก็เป็นเขาเช่นนั้นเองนะเขาก็ดีมั่งไม่ดีมั่งนะถ้าเราไม่เข้าใจนะเราจะสติเราไม่เข้าใจเราก็ ว, ว่าเออทําไมเป็นแบบนี้นะ มันไม่ด kind of like ีมันไม่ก้าวหน้าจิตเราตกแล้วเนี่ยเราก็มีความทุกข์นะแต่ถ้าเราเห็นเออตรงนี้เข้าแสดงปัตยรักนะแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นเนี่ยแค่เราพลิกจิตนิดเดียวเนี่ยเราเกิดปัญญาเลยนะปัญญาเห็นอะไรเห็นปัตยรักการที่เราเห็นปัตยลักนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนานะการเจริญปัญญาเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงความจริงในกายและใจนี่แหละเมื่อเห็นความจริงบ่อยๆแล้วเขาจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัดนะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเอง นะตรงนี้ก็คือเราสามารถเห็นได้ไหมอ่านะมันจริงๆมันแสดงทั้งวันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมอาการกายต่างๆเนี่ยยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดก็ไม่เคยอยู่ในอ่าอยู่บทใดบทหนึ่งอย่างแน่นอนถาวรเลยนะมันต้องเปลี่ยนทั้งวันนะมันเปลี่ยนทั้งวันอยู่แล้วร่างกายก็เปลี่ยนทั้งวันใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวบ้างนะเบื่อบ้างง่วงบ้างอะไรทั้งหลายและเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแทบขน้นเลยนะตรงนี้เราสังเกตเห็นเขาได้ไหมนะครับก็อย่าไปเบื่อในการเห็น ยิ่งเห็นมากในยิ่งดีนะจิตมันจะได้เข้าใจความจริงได้เร็วขึ้ น, นแล้วเราเปลี่ยนไปทําไมนะบางทีเราเดินแล้วเราเมื่อยเรามานั่งเรามานั่งทําไมหรือเรานั่งอยู่แล้วเรารุกขึ้นไปเดิ น, นหรือว่ากำกับบอกว่าอยากจะเดินก็อย่าเพึ่งรีบเดินนะอยากจะนั่งก็อย่าเพึ่งรีบนั่งให้กลับมารู้ซะกอ่อนะนะรู้รู้ตัวรู้ความอยากที่มันอยากจะไปเปลี่ยนอะไรหรอย่างนั้นนั่นแหละตรงนี้คือบายเรากลัวกบว่าเห็นความอยากที่ว่าอยากจะเปลี่ยน จริงๆแล้วมันแต่มันเปลี่ยนเพราะเหตุอะไรนะไม่ใช่เราเปลี่ยนเพราะความอยากอย่างเดียวนะแต่มันเปลี่ยนเพราะเราต้องการแก้ทุกข์ด้วย้ความอยากมันคือคือตัณหานะแต่จริงๆมันคือการแก้ทุกข์นั่นเองนะแก้ทุกข์จากการนั่งนานๆมันปวดเมือ่อยแล้วก็มาเดินนะให้เห็นว่าตรงนี้มันก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งเข้ห ja? เห็นเห็นความทุกข์อะไรบ่อยๆนะมันต้องเห็นในตรงนี้ให้ได้นะรูปนามน่แหละคือความทุกข์เดี๋ยวก็หิวกระหายนี่ก็คือความทุกข์有 ปวดเมื่อยก็คือความทุกข์ความง่วงก็คือความทุกข์อากาศร้อนอากาศหนาวก็คือความทุกข์นะตรงเนี้มันก็ต้องสามารถเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะร่างกายคนเรานีนมีได้ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้อาบน้ําไม่ได้แปลงควันนะมันก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมมันตรงนี้สิ่งเล็กๆนเน้อยเนี่ยก็ต้องสังเกตมันให้ได้นะอย่างที่ว่าเมื่อเราฝึกปฏิบัติแล้วเราก็เห็นความละเอียดขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกใหม่ๆมันจะยากรู้ยืนเดินนั่งนอน ต่อมามันก็รู้ละเอียดขึ้นในอาการอบทย่อยต่างๆดื่มกินพูดคิดนะต่อมาเราก็จะรู้ในรายละเอียดเช่นกระพริบตาลมหายใจต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะอ่ามันก็ค่อยๆที่จิตมันจะละเอียดขึ้ น, นการได้เห็นจิตมันรู้ความละเอียดต่างๆเหล่านี้แหละอ่ามันถือว่าเราเข้ามาเห็นขันห้าที่มันละเอียดแล้วเราก็เห็นความปุงแต่งได้ง่ายแล้วนะครั้ น, นี้นะเราไปบัติไปนะเราก็จะเห็นถึงสภาวะที่เราบังคับเข้าไม่ได้นะ อ่าเช่นความคิดนี่แหละบางทีเราไม่อยากคิดหรอกใช่ไหมประเดี๋ยวโดยนจงกลมอยู่คิดแวบไปละคิดแวบไปละเราสังเกตได้ไหมนะตรงนี้เราบังคับก็ได้ไหมใช่ไหมเขาคิดเขาเองหรือเปล่าเนาะอันนี้ต้องสังเกตให้ให้ออกเนาะไม่งั้นถ้าเราสังเกตไม่ออกก็กลายเป็นเราคิดตลอดเวลานะเราคิดตลอดเวลาเราก็เห็นความคิดการที่เราเห็นความคิดนั่นแหละคือสตินะอ่ารู้ทันความคิดความคิดดับไปนั่นคือสติ แต่ถ้าเราสามารถที่จะเห็นอีกนิดนึงว่าเออเนี่ยเราบังคับก็ไม่ได้นะจิตมันคิดมันเองมันไม่ใช่เราคิดหรอกเนี่ยถ้าเราเห็นนี้มันก็เป็นปัญญาเลยนะคือเห็นปัตยิลักษ์ที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไมตตนของเราน ะ, ะคราวนี้เราก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะความคิดมันก็เกิดแล้วก็ดับนะการที่เราเห็นเกิดแล้วดับเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคือตรงเนี่ย พระโกธัญญะท่านก็เห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดระดับนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็ น, ป น, ปนธรรมดาเนี่ยท่านก็เลยบรรลุปเป็นพระโสดาบันเลยนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความเกิดความดับเนี่ยมันมีประโยชน์มากใช่ไหมนะถ้าเราสามารถเห็นเออไปเดี๋ยวนะเราเดินจงกลมหรือนั่งใต้กรนะบะหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะความคิดเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งดับไปแปบ๊บหนึ่งดับไปอันเนี่ยมันเป็นสิ่งเราสามารถสังเกตได้ แต่เราอย่าไปตั้งใจดูเขานะบางทีมันเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้มันเกิดมันก็ดับแล้วนะไม่ต้องไปตั้งใจดูเขาหรอกรู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรก็ใช้ได้แล้วหรือบางทีคิดไป5้านาทีเพิ่งจะรู้ทันเออคิดไป5นาทีรู้ทันก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือความจริงต่างหาเราไม่ได้ไปต้องการให้เขารู้ทันทันทีเห็นความเกิดดับทันทีอันนั้นอันนั้นเป็นการผิดนะอันนั้นเป็นการที่เรียกว่าเราไปดัดแปลงเข้าไปตั้งใจไปแทรกแซงเขาเขาจะคิดนานก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราบังคับกก็ไไม่ด้หอ บางทีเผลอไปสิบนาทีก็ไม่เป็นไรนะตรงเนี้เราเราเราไม่เป็นไรได้ไหมไม่แบบแล้วเราก็มีความทุกข์เออต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องเร็วต้องได้ผลเร็วต้องรู้ทันความคิดเร็วอันนั้นอนะ่ะเราเรายังไม่รู้ความจริงนะเพราะจิตเราบังคับก็ไม่ได้หรอกนะเราก็เห็นไปตามความเป็นจริงเช่นนี้แหละใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นการไปปฏิธรรมนี่ส่วนนึ่งก็คือให้เราเห็นตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่เข้าเป็นไปตามที่เราต้องการนะ ปการนี้ให้ก็เป็นไปตามเราต้องการนั่นแหละคือการไปบังคับเขาไปกดข่มเขาอ่าไปจัดการกับเขาให้เป็นไปตามแล้วต้องการอันนั้นเรียกว่าเป็นสมถนะเนาะอันนี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นแบบนี้นะมันคือชอบจัดการมากจิตไม่สงบทําก็สงบจิตไม่ดีก็ทําให้เขาดีะจิตโกรธก็ทําให้เขาหายโกรธอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครา้ น, นี้ก็เราก็ให้เห็นตามที่เขาเป็นก็คือเขาจะเป็นยังไงก็ได้นะเขาจะหลงก็ได้จะรู้ก็ได้ เราก็แค่ร like oh ู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้ไม่หน้าที่ไปจัดการนะอย่างที่ว <moved inside> ่าจิตตานุปัสสนาติดประฐานบอกว่าจิตมีราขะก็รู้มีราขะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะก็รู้มีโมหะจิตฟุ้งสร้างรู้จิตฟุ้งสร้างจิตตั้งมันกรู้จิตตั้งมันก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแล้วไม่ได้ไปจัดการอะไรกับเขาเจริญสติก็ไม่ได้บอกว่ามันมันหลงถ้าทำมันมันหายหลงนะหรือว่ามันอะไรทั้งหลายอะไรไปจัดการกับเขา ท่านให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะยืนก็รู้่ยืนเดินรู้เดินดนั่งรู้นั่งนอนรู้นอ น, น, อนไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเลยนะเราก็แค่รู้ไปตามความจริงเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นมมไตาลักนั่นเองนะว่าสิ่งออต่างๆเนี่ยก็มาแล้วก็ไปมาแล้วไปไม่ใช่ฝีมือเราไปจัดการเขาเช่นเรามีความคิดก็ไปจัดการหยุดคิดได้นะหยุดทันทีให้เวลาคิด5วินาทีปุ๊บต้องหยุดทัน <laughs> นี่ไปจัดการกนะ็แล้เนี่ยเป็นความเรี่เลยว่าเราไม่เข้าใจใช่ไหม แต่เราเข้าใจเออคิดไปห้านาทีก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเป็นปรัชญธรรมนี้เราบังคับก็ไม่ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นเองนะเนะกลับมาเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะมันก็คือความจริงของจิตใจอหรือมีความโกรธต้องไม่โกรธนะโกรธภายในห้าวินาทีต้องหยุดทันทีนะในไปจัด ก, การหนึ่งครั้งแล้วนะก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยถ้าเรากล้าเห็นตามความเป็นจริงนะว่าเออเห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็คือเห็นตามที่เขาเป็นนั่นเองนะจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ปบัติธรรมแล้วมันต้องดี ไปบัตรธเพื่อเห็นความจริงต่างหากใช่ไหมไม่ได้ไว้ไปจัดการเขาดีนะการที่เอาดียิ่งเอาดีนะยิ่งชาเพราะมันมีตัวตนเราเข้าไปอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยเบื้องหลังเบื้องหลังในการจัดการแล้วเมื่อเราทําได้เออเราจัดการเขาได้นะความคิดให้หยุดคิดความโกรธให้หยุดโกรธเนี่ยมันมีตัวตนเราอยู่นะเราจัดการเขาได้ตัวเราก็จะโตขึ้นนะเราก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นมาตใจรักในการเกิดดับของเขาเองนะแต่ถ้าเราใจกล้กาเราดุว่าไม่ใช่ความคิดนะเดี๋ยวคิดไป สักพักหนึ่งเขาก็ดับแล้วนะมันจะดับช้าก็ไม่เป็นไรดับเร็วก็ไม่เปไรเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละตรงนี้เราจะเห็นความเกิดดับตามความเป็นจริงซึ่งเราไม่ได้ไปจัดการเนี่ยอันนี้มันจะเกิดปัญญานะอันนี้มันจะเห็นวิปัสนาคือการเกิดกันดับการเกิดกันดับนั้นก็คือการเห็นเมตไตรลักษนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเราแค่รู้ไปเท่านั้นเองเราไม่น่าที่รู้นะอย่างที่ในอริยสัจสี่บอกว่าทุกนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่านั้นเองนะไม่ไม่ต้้องไปจัดกาเเนี่ย ทุกก็คืออารมณ์ทั้งหลายแหละนี่แหละทางกายและอทางใจนะมีหน้าที่รู้ก็ตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเมื่อเราไม่จัดการเราก็จะเห็นไปตายรักได้ง่ายนะแล้วเขาจะมาจะไปเห็นหมดนะมันไม่ได้ตั้งถาวร อ, อะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติธรรมจริตติก็คือเราเห็นไม่ว่าเขามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้ยึดติดสมัยก่อนแล้วนะ ทำไมก่อนอโกรธแล้วก็ไปยึดว่าเราโกรธมันก็อยู่กับเรานานเพราะว่าจริงๆลมเหล่านี้มันมาชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นสิ่งทาบอลอะไรแล้วลมเหล่านี้มันเป็นของที่เรียกว่ามันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราอย่างไรเออเมื่อก่อนมันก็คือเราโกรดนั่นเองนะเราโกรธเราโกรธเห็นไหมมีตัวเราอยู่นะเราโกรธเราลักเราชัง ม, มีตัวเราอยู่เท่านั้นเลยนะแต่ที่เราสวดมนต์ธรรมเช้าทุกวันนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่แหละจะมา สัพเพสังฆารานิจาสัพเพสังฆาราทุกขาสัพเพสังฆารานตาสังฆารคืออะไรนะสัพเพสังฆาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดนะอลูปังอนิจังลูปังนัตตารูปังทุกขังนี่แหละคือสภาวะทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ยพวกนี้ก็คือนิจังทุขานัตตาทั้งหมดเลยเข้ามาเพราะฉะนั้น่ะกายและใจนมันเป็นนัตตาไม่ตัวไม่ตนของเราแล้ว ในเมื่อใจไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วสิ่งที่เกิดจากใจหรือการของใจมันจะเป็นตัวเป็นตนของเราได้อย่างไรนะสิ่งนี้เกิดจากใจก็เช่นความคิดนะหรือความรักความชางังความโกรธความเกลียดอารมณ์ทั้งหลายแหละนี่แหละคืออาการของใจในเมื่อใจไม่ยังเราแล้วแล้วอาการของใจมันจะเป็นของเราได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปจัดการกับเข้าเหมือนกันเราก็แค่ดูแค่รู้ว่าเออขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราอมีความคิดเราก็แค่ดูแค่รู้เขามันไม่ใช่ของเรานะเราแค่ดูแค่รู้ อหรือความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็แค่ดูแค่รู้เขาอแต่เมื่อไหร่ที่เธอไปจัดการนั่นแหละตรงเนี้มันจะเป็นตัวตนของเราว่าเออกูจัดการมันแล้วกูเก่งนะกูโกรธกูเลยจัดการกับมันนะอันนี้มันเป็นตัวเราเข้ามาเต็มๆเลยนะแต่เราใจก็กล้าดูเออมันโ ก, กโกรธก็โกรธไปแล้วก็ดูมันไปนะมันก็แสดงว่าใรักมาแล้วก็ไปมาแล้วไปนี่แหละมันจะเกิดเป็นญ า, นาตรงนี้นะเพราะจริงๆแล้วอารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่ใช่เราอย่างที่ไม่ได้พูดเองนะอันนี้ในอพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้าวาแล้วนะตรงเนี้ย เพียงแต่เราเราไม่เข้าใจเท่านั้นเองนะเพราะนั้นความบกพร่องทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายก็เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่ของเราะในเมื่อจิตใจไม่ไม่ใช่เรานะ เ, เราก็เป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาจึงไม่ได้ไปจัดการอะไรเขาเราไม่น่าที่รู้เฉยๆนะตรงเนี้ถ้าเรารู้เฉยๆเาก็จะแดงมาต่ลักทั้งหมดเลยนะถ้าเราเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตรงนี้เราทําอะไรก็ก็ไม่ไดนะ้เคยไปอบรมที่ <c oughs> ที่ปาจีบุรีนะมีเนอนองคหนึ่งเนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัธมากเลย แล้ววันนั้นวันนึงก็มาถามบอกทําอย่างไรมันจริงจะแยกขันได้อย่างแน่นอนนะที่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันแยกจริงๆนะทําอย่างไรเน่นอยากได้ผลมากเร็วๆมาถามวิธีการจัดการเลยนะบอกเราตอบคกาว่าเราไปทําอะไรก็ไม่ได้หรอกเราไม่น่าที่แค่รู้แค่ดูไปเท่านั้นเองจนถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราจัดการอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วนั่นแหละจิตมันจะเข้าใจว่าเราทําอะไรเขาไม่ได้เพียงแต่เรารู้เราดูเท่านั้นเองแล้วเขาจะแสดงปฏิลักษณ์เราเห็น ว่าเราทําอะไรเขาไม่ได้นั่นแหละจิตมันจะเริ่มเข้าใจจิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางในที่สุดในที่สุดนะมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้ได้นะไม่ต้องไปยุ่งเลยกับเขาเน้ประกฏเราฟังแค่นี้เข้าใจอเน้นเข้าใจเลยนะในบอกเออถูกต้องแล้วตรงเนี้ยเขาเน้นก็ใบบันมาตั้งเยอะแล้วนะอันเนี้ยถ้าเราเห็นจริงๆว่ามันมันก็แค่นั้นเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรเขาเราเพียงแต่รู้ไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะแดงไปแต่รักเราเห็นได้ไบ่อยๆนะตรงนี้ เมื่อเราเห็นไปบ่อยแล้วจิตก็จะเข้าสู่การที่เขาเมื่อเห็นความจริงแล้วเนี่ยว่าเราทําอะไรก็ไม่ได้แล้วจิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเยิ่มเริ่มยืดจิตเองนะเพราะนการประทับมันก็หนทางสู่ความพ้นทุกข์มันก็ไม่ยากนะอันเนี่ยหนทางความพุนทุกมันไ ม, ไม่ไม่ยากหรอกบางคนบอกว่าต้องพ้นทุกข์บางคนบอกว่าต้องอ่านิพาณ น, นี่มันไกลนะไกลมากนะต้องอนาอนาคตทธการนุนเทินมันไกลมากนะ น, นั้นไม่ใช่นะคำว่านิโรธคืออะไรนั่นนิโรธ นิโรดนี่แปลว่าดับนะทุกนีโ้โรกก็คือการดับทุกใช่ไหมการดับทุกไม่ใช่เป็นดับในชาติหน้าไม่ต้องรอในภาในชาติหน้าดับทุกมันต้องในปัจจุบันนี้ในชาติ น, นี้ในที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยนะมันต้องดับตรงนี้นั่นแหละถึงจะถูกต้องตามที่อริสัตย์สี่ใช่อหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันไม่ต้องดับอนาคตให้ดับปัจจุบันนี้อ่าก็มีอ่าตอนนั้นก็ในหลวงถามหลวงปู่ดูลว่าอ่าจะละกิเลสตัวไหนก่อนครับหลวงปู่ดูลบอกว่ากิเลสตัวไหนเกิด ขึ้นก่อนให้ดับตัวนั้นก่อนนี่แหละคือความจริงใช่ไหมเราไม่ต้องไปดับตัวนู้นตัวนี้เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นสักตัวหนึ่งแต่เมื่อตัวไหนเกิดขึ้นมาเรารู้ทันไหมอ่าแค่นี้เองนะเมื่อเรารู้ทันเขาก็ดับไปเองนะเพราะนั้นสภาวะความเป็นจริงก็คืออะไรก็ได้ที่มันเกิดในใจเราเรารู้ทันไหมไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอ่าอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันก็ดับไปเดี๋ยวนั้นนั่นแหละนี่แหละคือการดับทุกในปัจจุบันนะเมื่อเราดับตรงนี้บ่อยๆตัณหามจะลดไปเองตัณหาก็คือความทก ความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะลดไปเองนะเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันจะเป็นอนารโย ค, คือไม่มีที่อาศัยนะเมื่อไม่มีที่อาศัยแล้วตัณหาดับไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นนะ่ะคือการเข้าถึงนิโรธคือการดับทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันมันก็กลายเป็นไม่ยากนะอการมาทําเนี่ยมันต้องดับในปัจจุบันไม่ใช่ไปดับในอนาคตอะไรเกิดขึ้นขณะนี้ก็ดับเดี๋ยวนี้ความโกรธเกิด ข, ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ดับเดี๋ยวนี้นะดับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปจัดการเขาดับแต่เราให้เห็นความจริงว่าเอเ้าาม นะรู้ความจริงขณะนึ่งว่าเข้ามาแล้วในสุดเขาก็ไปนะเขามีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เขามาไม่ได้นานเขาก็ไปเห็นตรงนี้บ่อยๆนะจิตก็จะเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งต่างๆนี่ตั้งอยู่ไม่นานนะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์ต่างตั้งไม่นานหรอกเมื่อตั้งไม่นานความทุกข์เราก็จะลดไปในตัวด้วยหลังนั้นบ่อยๆเองเมื่อจิตเข้าใจบ่อยๆจิตก็เกิดการปล่อยการวางการมีติดเองเมื่อเขาตัดตรงนี้ปั๊บเนี่ยหมายความว่าอุปทานเราจะลดลงไปหรือน้อยลงไปหรือดับลงไป มุขบัตรันดับไปปุ๊บเนี่ยพบชาติที่จะตามมามันก็ไม่มีนะการจะไปเวียนบายตายเกิดก็ไม่มีนี่แหละคือการที่ว่าเร า, าได้ใช้ชีวิตแห่งการที่เกิดบัมนุษย์ครั้งนี้นะอย่างสมบูรณ์นะอย่างกําไรนะไม่ได้เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดแต่อย่างไรนะตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจานี้แล้พบชาติมีะค่อยๆสั้นลงสั้นลงลดลงนะหรือน้อยลงจนอาจจะเหลือแค่เจ็ดชาตินะหลือจะเหลือแค่าชาติเดียวก็ได้เนะ้ะ ถ้าเราเข้าใจแล้วมันมันคนทางอางการพ้นทุกข์มันไม่ไกลอย่างไม่ห่างไกลนะก็ตรงนี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านในการที่จะเจริญสติปไปทำต่อไปนะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัฒนาบารมีคุณพระรัไตร <c oughs> น้อมนำลุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ